ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัมสีน์สนทนามาพบท่านอีกครั้งนึงแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ในส่วนที่มีดิฉันสันสีนาคพงศ์กราบเรียนสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบูล์อภิพุนนวัดป่าดอนหายศกอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัส ก, การท่านด้วยกันนะคะนมัส ก, การกับท่านคะนาน่ะเจนพานก่อนที่จะไปถึงคําถามอื่นนะคะฉันอยากกล่าวเรียนถามถึงเรื่องของการที่ชาวพุทธควรจะสวดมนต์อย่างไรบางคนก็ อาจจะแบบว่าแค่ง่ายๆสันๆส้นๆนะนะคะ ừ ừ ừ ừ ừ อระหังสัมมาสัมพุโทโธสวะาคาโตสุปฏิปันโนแล้วก็จบ ừ ừ ừ เลยนอนอหรือว่าควรจะมีบทอื่นอีกอย่างไรดีคะอันนี้เป็นคําถามที่ถามกันมากเลยอธิมา ก, ก็เจอเคยเจอคําถามนี้อยู่หลายๆครั้งแในรอบปีหนึ่งต้องเจออย่างน้อยสองถึงสามรอบอแต่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบางคนก็นิยมสวดอธิมาเคยเจอพระนะคุณิยมติวที่ท่านเนี่ยสวดมนต์มากเลย นีคือตอนเช้าเนะี่ก่อนไปบินธบาติเนี่ยก็ทําวัดเช้าก็ชั่วโมงนึ่งแหละเนะี่ตอนไปบินธบาตเนี่ยก็ยังสวดทบทวนปาติโมกข์นะีกลับมาจากบินธบาติแล้วฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยไปเดินจงกรมเนะี่เดินจังกะมะเนี่ยเวลาเดินไปเดินมาก็ท่องบทมนไปด้วยเนี่ยบทที่เป็นพระสูตรนี่แหละตอนเย็นทำวัดเย็นแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งกลับมาถึงที่กุฏิแล้วเราก็ยังสวดมนต์ต่ออีกประมาณสักอีก40่สิบนาทีเราก็ถึงก่อยหนอุท่านสวดมาก แนะต่ <Okay. S 1> ตัวมาเองเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้สวดเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ก็สวดอยู่บ้างแตนะ่ทีนี้ <Okay. S 1> ในคําถามที่คุณโยมติถ๋ถามว่าต้องสวดบทไหนสวดนานเท่าไหร่อันนี้มันเรื่องของแต่ละบุคคลเลยนะอันนี้คือตัวเราจะต้องตัดสินใจเองว่ามันพอเหมาะพสมที่ตรงไหนนะจุประสมค์คืออะไรนะมันจะไม่เกิดผลอะไรนะคือถ้า <Okay. S 1> สวดแล้วนะจิตเป็นสมาธินะมีปีติมีประโมทเกิดขึ้นจิตเป็นสมาธิแล้วอันนี้การสวดมนต์นั้นจะทําให้เข้าถึงวิมุติได้ แล้วก็อยู่<ช>ที่ความที่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องคอยพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมตรงไหนอย่างด้วยทํมามเองสวดมนต์เนี่ยก็ประมาณไม่เกินสี่สิบนาทีเพระยาวนะคะท่านคะบางคนก็น้อยกว่านั้นนะบางคนก็น้อยกว่านั้น<ช>เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราดูว่ามันแค่ไหนเหมาะสมแ ล, ะะแล้วที่สําคัญคือเวลาเราสวดเนี่ยเราควรจะต้องรู้ความหมายด้วยค่ะอรู้ความหมายด้วยนี่สําคัญคท่านคะถ้าอย่างนั้น ถาแบบอย่างน้อยเลยอ40นาทีนี่เดี๋ยวฉันเข้าใจว่าหลายคนบอกอุ้ยยาวเดี๋ยวฉันยังว่ายาวเลยนะคะถ้าให้พอดีพอดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยที่ควรจะสวดให้ได้น่าจะสั้แค่ไหนเอแล้วสวดอะไรในความหมายเท่าใดออืออครับ ก, ก, ก, การสวดก่อนนะเอากา ร, การสวดก่อนนะั่นคือการท่องบทน่ะสัจจายะบ้างเข้าใจคําว่าท่องบนบ้างนั่นคือการที่ทําให้เกิดการจําได้อย่างเช่น การที่เราท่องสุดคูณสมัยเด็กๆเนี่ยสองหนึ่ง2องสองสี่สอหกสอง 4, สี่แปดท่องไปเนี่ยก็ต า, างนั้นที่ยังไม่ได้เรียนคูณเลขนะอารมาเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจับให้ท่องสุดคูณตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนการคูณนะดังนั้นเ อ, อ้าท่องไว้เราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะแต่ก็ท่องไปตามภาษาเด็กๆแต่ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงก็เป็นนกแกลล้วนกขุนทองแต่แตพอไปเรียนเรื่องการคูณโอ้มันใช้งานได้เออมันจริงแฮะใจสามยี่สิบ็ดตอบได้ทันที ซึ่งตรงนี้ก็คือหมายควาอะไรหมายความว่าท่องใบนใี่เพื่อให้จําได้เพื่อให้จําได้ถามว่าคุณต้องให้จําได้เนี่ยจำอะไรได้คําสอนของพระพุทธเจ้านะคุณต้องจําให้ได้โดยบริเพศชนะด้วยดีโดยความหมายอัตถะด้วยให้เข้าใจาเช่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นปธรรมดาอันนี้เป็นพุทธบทธ์ดี่เราท่องตรงนี้นนั้ตรงนี้เป็นสั้นที่สุดเลยที่ ท, ที่ควรจะต้องท่องได้เลยนะ เพาะถ้าเราว่าส่ว น, วนจุดประสงค์เพื่อให้ท่องได้ตรงนี้ก็ได้น้อยที่สุดเลยคุณต้องจําคําสอนของพระบุตรยาให้ได้ค่ะนี่คือประเด็นนะพอจําได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปฏิบัติได้ตามนั้นเป็นคเครื่องมือที่เวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเจอภาษาได้ได้แล้วเฮ้ยเรายัางจิตใจเรายัางระลึกถึงตรงนี้ได้อันนี้มันจะดีนะเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณโยมถือว่าน้อยๆสั้นๆที่สุดเนี่ย ก็สักบทหนึ่งอ่ะเอาสั้นสุดๆสักเฟสหนึ่งคำหนึ่งที่เราท่องแล้วเราจําได้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อราจมาท่องขึ้นมานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่อันนี้เป็นบทถือว่าสวมดมนแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรคะ <S <S สวดอุตตรรัตน์ตรัยก่อนละท้าว่าก่อนนอนส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กมาด็ฉันเชื่อว่าทําคล้ายๆกันล่ะอย่างน้อยก็ต้องมีอรหังสัมมาสวาคขาโตสุปฏิปันโนค่ะ ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้ค่ะทีนี้มันก็แล้วแต่ควรนะว่าจะจาํจาจําแล้วยังไงถามว่าอารังสมาสมพุทโธปการาเนี่ยล้วอรหังในคุณรู้ไหมว่าความเป็นพระอารหันเนี่ยมันเป็นยังไงมีคุ ณ, ณสมบัติอะไรถ้าจะขยายความตรงนี้ต่อไปก็อิติปิโสปกร า, าราอรังสมาสมุทโธใช่ไหมวิชาจารย์สัมปัโน พ, พวกนี้อันนี้เราก็ท่องให้ได้ท่องได้แล้วรู้ความหมายว่ามันแต่ละอันละอนคืออะไรอันนี้คือเพื่อที่จะให้ใจิตใจเรา ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนนดงั้นถ้าสรุปสุดท้ายก็คือว่าควรสวดนะคะเพราะว่าสวดแล้วมีประโยชน์ใช่ควรทำคือจะทำให้สามารถมีสมาธิเกิดปิติปราโมทเข้าไปถึงวิมุติได้ในที่สุดก็ได้ไดถ้าสวดเพียงพอแล้วก็เข้าใจในเนื้อธรรมนั้นใช่ไหมคะใช่จะได้นำไปสู่การปฏิบัติเป็นการท่องบนคำสอนของพระศาสดาเพื่อให้รู้ธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ เรื่องเรื่องความเข้าใจนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะคือหมายความว่าบางคนเนี่ยเราอาจจะเคยไปสวดมนต์ที่เป็นคนเยอะๆะนะแล้วเขาร่วมกันสวดเนี่ยโหมันก็มีพลังนะคุณยมเตียวอันนี้ก็ต้องอยอมรับว่ามีพลังถึงแม้เขจะสวดบาลีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายใดๆเลยก็ได้มันก็มีพลังพลังอย่างไรคะพลังนี้หมายความว่าคนที่มารวมกันมากๆแล้วก็มีแต่ละคนก็มีศรัทธาแต่ละคนก็มีศรัทธาเนี่ยมันเป็นสงเป็นหมู่แต่ความที่เป็นหมู่เนี่ยหมายถึงเป็นสง์ แต่สูงที่มันพากันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการที่จะท่องบนคําของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นกําลังให้เรามีกําลังใจในกําลังใจใที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นกําลังในตอั้งๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาในบทสวดเลยก็ได้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเลยฉนคิดว่าถ้าตามทั่วๆไปสามัญที่เราพอเข้าใจได้ก็คือเรามีความตั้งใจดีใช่ไหมคะมีมีความตั้งใจด้วยความศรัทธา ในพระพุทธเจ้าอืก็จึงได้สวดมนต์ที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์พอสวดแล้วเรารู้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นถ้อยคําที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเราก็เลยเกิดความรู้สึกบีติที่ท่านบอกค่ะใช่เอาแล้วยิ่งถ้ามาสวดกันเยอะๆด้วยความเชื่อของคนหมู่มากที่เชื่อกันว่าสวดแล้วมีกําลังอย่างที่ท่านพูดเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์จากการสวด บางทีเข้าใจว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเช่นปีใหม่ไปสวดมนต์พร้อมกันนะค ะ, ะข้ามปีก็จะมีความเชื่อว่าถึงปีหน้า 2,558 เนี่ยจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่าการได้รับของขวัญอย่างอื่นดั้นเชื่อว่าคนเชื่ออย่างนั้นอันนี้กําลังเดียวกันไหมคะท่านถูกต้องถูกต้องแล้วก็ะ ค, ะคือสร้างเหตุปัจจัยมาทําให้เกิดความมั่นใจ จิตใจที่มีกำลังว่าฉันจะต้องทำความดีตลอดปีนี้อันนี้จะทำให้ตลอดปีนั้นคุณจะดีนะเพราะว่าทำดีแล้วมันต้องได้ดีแน่เหมือนสั่งจิตนะนะคะใช่ใ่เราจะต้องทำค่ ะ, ะก็เป็นอันว่ากระสวดกันตามแต่ว่าท่านจะสะดวกแค่ไหนเพียงไรใช่แต่จะต้องเข้าใจและขอให้การเข้าใจนั้นเป็นการเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติก็ลกันตั้งหลังจากปฏิบัติแล้วค่ะท่านคะ มาถึงบางคนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่เราควรจะวางให้ได้ในเรื่องของความรู้สึกหรือเวทนาเนี่ยนะค ะ, ะว่าต้องวางอุเบกขาเนี่ยอือ <c oughs> อุเบกขาบางคนระบอกไม่ต้องทําอะไรเลยชีวิตเนี่ยอุเบกขามันปล่อย <c oughs> อุเบกขาจริงๆหมายความอย่างไรนะ <c oughs> คะแล้วบางคนก็เข้าใจไปถึงขางนาดว่เาเวลาเขาเวลาขับรถเนี่ยทำไมก็ต้องเอาเบรกไว้ที่ขานะเราไม่ต้องอ <c oughs> ุเบกขาอุเบกขาใช้ขาเบรกค่ะ ซึ่งคำว่าอุเบกขาก่อนนี้เป็นภาษาบาลีเนี glaub, ่ยเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เวลาถ้าเราแปลเป็นไทยแล้วมันก็หมายความว่าการวางเฉยการวางเฉยการวางเฉยในที่นี้หมายถึงเรื่องของจิตใจนี่มันก็จะมีอีกคําหนึ่งที่อาจจะใช้สับสนกันก็คือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกที่ใ่ทุกไม่ใช่สุขเขาเขาเรียกว่าอะทุกขมะสุขเวทนานีซึ่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่อุเบกขา ในอุเบกขาคือการวางเฉยอ๋อราคาเข้าใจว่าเหมือนกันนะครไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้อย่างนี้อบอกว่าถ้าเรามีภาษะมีภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เกิดเวทนาใช่ไหม <c oughs> ถ้าภาษาแบบนี้เป็นภาษาที่เป็นไปเพื่อสุขเวทนาสุขเวทนาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าภาษาแบบนี้เป็นไปเพื่อทุกเวทนาทุกเวทนาก็จะเกิดขึ้นถ้าภาษาแบบนี้เป็นไปเพื่อความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขอะทุกขมสุขเวทนาก็จะเกิดขึ้น <c oughs> เอาเอาสาบก่อนนะคำว่าอุทุกคมสุขเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นทุกค่ะนี่คือคือความหมาย d e f i n i t i o ของอุทุกขำว่าสุขเวทนานะค่ะเช่นถ้าเรายกตัวอย่างอากาศสภาพอากาศเนี่ยถ้าบางคนชอบอากาศเย็นเย็นเนี่ยนะอนุณหภูมิสิบห้าองศาหรือว่าต่าไปกว่านั้นแหมจะชอบมากอาจจะเป็นความสุขถ้าอุณหภูมิเกินขึ้นไปสามสิบองศานี่ไม่ชอบไม่ชอบละแต่ถ้ายี่สิบห้า มันก็ไม่ได้บอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราจะบอกว่าเป็นสุขก็ไม่ใช่เพราะมันต้องต่ําไปกือบถึงต่ํากว่า15บห้าเราจะบอกว่าเป็นทุกข์มันก็ยังไม่ถึง30มสิบแตมันก็ไม่ใช่อย่ในัณะนั้นนี่คือลักษณะที่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่รูปเบตนาไม่เหมือนกันนั่นพระพุทธเจ้าบอกงี้บอกว่าถ้าพระซาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยไม่มีสุขเวทนาก็ดับไปนั่นพระซาเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่มีทุกกขเทนา็ดับไป น้ำ <c oughs> ภาษาเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขถ้ามันไม่มีอาทุกขมสุขเวทนาก็ดับไปแล้วเหลืออุเบกขาเดี๋ยวเรืออุเบกขาเราก็จะวางเฉยกับภาษะต่างๆได้อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยเหรอคะถูกต้องถูกต้องเป็นพุทธพจน์เลย <c oughs> แล้วความวางเฉยตัวของมันเองแต่ตัวของมันเองลักษณะเป็นยังไงเวลามีภาสาได้ได้มากระทบแล้วก็นิ่งเฉยวางเฉยอยู่ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่มันละเอียดลงไปกว่าอาทุกขมสสุขเวทนาแน่นอน ถ้าพิจารณาตามแบบหลักภาษาไทยนะค ะ, ะทุกขมสุขเวทนาไม่ทุกไม่สุขคืออาการเฉยๆนะคะแต่อุเบกขาในที่นี้นี่เหมือนกับว่ามันมีการกระทาเกิดขึ้นด้วยคือการวางเฉยใช่ไหมคะใช่แล้วอะไรเป็นผลของการกระทาตรงนี้อะไรเป็นเหตุของการกระทาตรงนี้ก่อนก็คือถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้ว แตเวลาที่เจเริญเาเป็นสมาธิเนี่ยเราก็จะจดจ่ออยู่กับสมาธิตรงนี้ใช่ไหมเวลาที่เราเอ า, เอ า, เอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ความที่จิตเป็นโารมันเดียวแล้วเนี่ยเวลามีสิ่งใดมากระทบจิตใจเราจะวางเฉยแต่เราจะไม่ได้ไปแบบว่าวุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกฝนจะตกแดดจะออกเดี๋ยวฟ้าจะร้องจะร้อนจะหนาวก็ไม่ไม่สนใจไม่หนาวไม่ร้อนอ่าไม่หนาวไม่ร้อนคือวางเฉ ย, ยไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นอัตโนมัติจากการที่ฝึกจิตมาดีแล้วหรือว่า เกิดจากการที่เรากำหนดการวางเฉยคะอันนี้มาจากจิตที่ต้องเป็นสมาธิและจิตที่ต้องเป็นสมาธิถึงจะสามารถทำตรงนี้ได้ก็เท่ากับว่าเป็นอัตโนมัติถมถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันมันจะเป็นสมาธิที่ละเอียดลงไปนะคือสมาธิที่ยังไม่มีอุเบกขาก็มีอย่างเช่นว่าเรามีความคิดเรามีปีตินะความปีตปิมีสุขอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ใช่อุเบกขาแตนะมันยังไม่ไมวางเฉย ท่านอาจารย์คาดิชันถามอย่างนี้ได้ไหมคะมว่าอสมมุติว่าในการที่พอท่านผู้สมาธิใช่ไหมคะสมมตินั่งสมาธิเนี่ยอืมเกิดได้ยินเสียงฟ้าผ่าคโครมแล้วตกใจเงี้ยถือว่าอะไรคะท่านคะเกี่ยวกันไหมคะกับเรื่องที่ได้สนทนาอยู่ขนาดนี้ถ้าถ้าตกใจเนี่ยมันเป็นบอดี้รีเฟลคชั่นอย่างหนึ่งนะ เ, เพราะว่าเวลาเราเอามือมาลูบผ่านหน้าเนี่ยตาก็ต้องกระพริบนี่เป็นบอดี้รีเฟลคชั่นคุณเอาอะไรมาเป็นธรรมชาติ ใช่ใช่เป็นเรื่องของชีววิทยาเนี่ยปฏิกิริยาโต้ตอบอันเป็นธรรมชาติของร่างกายอันนี้ก็ก็เรียกศัพท์ทางชีววิทยาก็เรียกร e f l e c t i o n ของของร่างกายโต้ตอบทางธรรมชาติอซึ่งที่อุเบกขาที่เราพูดถึงในที่นี้นะคือหมายถึงเรื่องของในจิตะจิตจะไม่ได้แบบตกใจชนี้ที่แบบแบบตกบูบไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นะเขาก็จะวางเป่าเนื้อร่างกายจะสะดุ้งได้ถูกไหมอ๋อเป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้แน่นอนถึงแม้ว่านั่งสมาธิอยู่ ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้แม้แต่แม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ทำ ค, ความเพียรเนี่ยกายก็กระสับ ก, กระสายไม่สงบกายทาไมกระสับ ก, กระสายไม่สงบเพราะว่าเวทนาที่ทนได้ยากเสียแทงเอาแต่ว่าจิตมีอุเบกขาไม่มีอยู่จิตมีอุเบกขาอะไรนะคะพ ร, ะ ท, ะะรทนาท่ทเอนไร กายร้อนไปทั่วตัวหรือว่าเหมือนกับมีใครเอาเชือกมาลัดศีรษะด้วยเชือกที่มีเกลียวเขมงอย่างนี้กนกายก็กระสับกระสายไม่สงบแต่ว่าจิตมีอุเบกขาอืม น, นี้แมเข้าใจยากจริงนะคะแต่ไ <laughs> ม่ไม่มถึงว่าเข้าใจโดยโดยสามัญสำนึกยากเถ้เาไม่รู้ว่านี่เป็นเป็นความสามารถของพุทธะใช่ใช่ต้องเอา ห, หลายแง่มุมมาเปรียบเทียบกันดู เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าดิฉันไปจับจวงพุทธองค์ใช่ไหมคะดิฉันหมายความว่าเข้าใจยากว่าเถ้ากระสอบกระสายแล้วจะอุเบกขาอยู่ได้อย่างไรไหมคะมันเป็นเรื่องของทางกายตรงนั้นค่ะแล้วในในความที่เป็นอุเบกขาตัวของตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะมีเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในชั้นที่สามด้วยชั้ น, ชนที่สี่ด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยเนี่ย เ, เราจะวางเฉยในพวกเวทนาต่างๆที่มัน หยับหยาบเนี่ยเราก็จะวางไปได้ละ่ะเราจะไม่ได้ไปแบบดีใจหรือว่ารุ่มโรงไปในลักษณะนั้นทีนี้นในลำดับขั้นของการปฏิบัติสมาธิใช่ใช่อยู่ในขั้นที่สามที่4ี่ค่ะใช่ที่ว่าตัวเบกคาเองมันก็จะมีสุขที่เจืออยู่ในความเป็นดูเบคคานั้นเนะี่ยทำไมมันถึงมีสุขอยู่เนเะช่นว่าถ้าเราวางความรู้สึกที่เป็นสุขได้ไอ้ความสุขที่เกิดจากการวางได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นพอเราวางปีติวางสุขได้มันก็จะแบบสบายใจขึ้นมาอีกละเอียดอีกนะแต่นี้ในขั้นที่สี่ก็ความสุขแม้กระทั่งที่เกิดจากอุเบกานั้นก็วางไปด้วยเหลือแต่อุเบกขาหลวน <c oughs> นะความความละเอียดเล็กซึมมันก็ค่อยๆมากขึ้นไปนะค <c oughs> ะทีนี้ที่ต้องทําความเข้าใจต่อไปนอกจากว่าตัวมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยเรามา <c oughs> พูดถึงเหตุเกิดกังมันนิดนึ่งแต่ที่เมื่อสักครู่จะมาพูดถึงว่าเหตุเกิดของเจ้าอุเบกขาเนี่ยคือเป็นสมาธิมาก่อน <C> e อันนี้ก็จะตรัสอยู่ในเรื่องของฌานทั้ง4ด้วยแต่อยู่ในเรื่องของโพชฌงนะว่าคุณมีสมาธิสำโพชฌงนะแล้วคุณจเจริญแบบนี้นะด้วยการที่เพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีในะอุเบคาสัมโพชฌงก็จะเกิดขึ้น <C> e นะโพชฌงเนี่ยคือองค์ธรรมที่แห่งการตรัสรู้ธรรมสมมติเราเอาคำนี้ออกไปก่อนแต่นะถ้าคุณ <C> e <C> e มีสมาธิแล้วจิตคุณเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างดี นะอุเบกาก็จะเกิดขึ้นนะอุเบกคาเกิดขึ้นได้จากการที่จิตเป็นสมาธินั่นเองค่ะจิตไปเพ่งเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีค่ะนะอุเบกาก็จะเกิดขึ้นค่ะทีนี้อุเบกขานะที่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นความที่จิตเป็นลมเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออฉันก็ไม่ทำงานทำการอะไรแบบปล่อยวางหมดนะอยู่บ้านคนเดียว แล้วก็แบบไม่ทําอะไรเลยมันไม่ใช่น ะ, ะที่ที่มันเป็นองค์คุณที่มาพร้อมกับกับเรื่องของพระมิหานศรีใช่ไหมที่เราเคยได้ยินกันว่าอะไรนะเมตตาเมตตาปรินามุทิต า, าแล้วก็อุเบกขาใช่อุเบกขาตรงนี้นะีมันก็คือการวางเฉยในลักษณะที่ว่าอถ้าเรามีเมตตาอยู่เป็นประจำอันนี้เราต้องมีแตนะ่ว่าเรามีเมตตาอยู่เป็นประจำในจิตใจมองคนอื่นด้วยสายตาขอางคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ะ แล้วก็ถ้าเรามีความกรุณาเราก็ไปช่วยเหลือเขาแต่การไปช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงว่าอยากใชให้เขาพ้นทุกข์แต่เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราไปเจอขอทานคนหนึ่งโอ้สงสารเขาจับใจแต่คือเรามีเมตตากับทุกคนล่ะเห็นขอทานคนนี้สงสารจับใจอยาให้เขาพ้นทุกข์ความเป็นกรุณาเกิดขึ้นแต่ความกรุณาเกิดขึ้นเอาเรามีความการุณาตรงนี้เป็นมโนโกรรมนะเป็นมโนโสังการที่ดีเอาเราก็พูดจาปราศัยกับเขาดีก็เป็นวจีสังการที่ดีเอาเรามีการกระทําด้วยมีการให้ทาน เลยมีการให้ทานพาเขาไปซื้อข้าวกินแล้วก็ <c oughs> วก็เป็นการกระทําที่ดีและเป็นการกระทําที่ดีแล้วเป็นผลของไรของกรุณานะทีนี้พอมีการกระทําอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยแม่มันยังสงสารจับใจอยู่แตยังสงสา ร, รจับใจยังยังมีความกรุณาอยู่ยังมีความการุณาอ ย, าาาอยู่สงสารจับใจยิง่งก็ทําต่อไปเน่ยซื้อเสื้อผ้าให้เขาคิดว่าให้กินมันก็แค่มื้อเดียวแ ล, แล้วเสื้อผ้าจะอยู่ยังไงก็ซื้อเสื้อผ้าให้แล้วพอซื้อเสื้อผ้าให้ก็อยู่ได้ปีหนึ่ง เราก็ยังสงสารเขาจับใจอยู่นะเอาหางานให้เขาทำํำนะหางานให้เขาทําเขายัางไม่มีที่อยู่ก็ยังสงสารเขาก็จับใจอยู่ยมีกรุณาอยู่นะก็พาเข้าไปอยู่ที่บ้านเราเลยนะอยู่ที่บ้านกินอยู่กับเร า, เามันก็เริ่มเริ่มมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเราจะหยุดที่ตรงไหน<ม>เราจะหยุดที่ตรงไหนไหนการที่เราจะหยุดได้ว่าอ่ะกรุณาพอแล้วนะก็ต้องอุเบกขาตรงนี้ล่ ะ, นะเราเห็นใครสักคนหนึ่งได้รับความทุกข์อย่างเงี้ยเด็กที่แอฟริกา ประเทศที่เขาได้รับภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งมีแผ่นดินไหวเครื่องบินตกสูนามิเป็นต้นเนี่ยนะระวางอุเบกขาได้ตรงไหนก็จะแม้เพราะว่าสัต์โลกก็ต้องไปไปตามกรรมนะดังั้นไม่งั้นเราก็ต้องไปช่วยกันทุกคนเลยอะ่ะถ้าเรามีกรุณาเต็มที่เนี่ย่นะอุเบกขาเอามาใช้ตรงนี้คุณยมติวเท่ากับว่าถ้าในพรหมวิหารสี่แล้วจะอุเบกขาในต้องเริ่มต้นจากการที่เราเมตตากรุณามุรุษตาก่อนต้องต้องใช้ไปด้วยกันอยู่แล้วใช้ไปด้วยกัน ถ้าใช้ไปด้วยการหมายความว่าในขณะมีเมตตาก็ควรจะมีอุเบกขาไปพร้อมๆกันด้วยมีกรุณาก็มีอุเบกขาไปพร้อมๆกันด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ่ะอ่ก็คือว่าใช้ในระดับไหนนะคือคจิตใจเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าในระดับทางกายบางที่คุณก็ต้องอุเบกขาไปแล้วแตนะทางกายที่เราเราจะไปช่วยเหลือในระดับไหนที่เราพอจะช่วยได้ค่ะแต่เราก็ต้องมีอุเบกขาในตรงระดับตรงนั้นค่ะคือถ้าจะพูดไปก็ต้องหาความพอดีใช่ ถ้าเรื่องพวกนี้นี่เอาทางสายกลางของพุทธเจ้ามาจับได้เลยไหมคะอันนี้ก็คือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรศัพท์<ก>ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมานุธรรมปฏิปติธรรมานุธรรมปฏิปตินั่นคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือถ้าพวกเราจะไปรับภาระของคนทั้งโลกเลยอ่ะโหคุณคมีความกรุณามากมันก็อาจจะเหลือวิสัยของเราคุณเป็นผู้นิสิตหรือเปล่า แตนะ่คุณมีรีซอสมีความสามารถระดับไหนนะมันก็ต้องเอาอุเบกขามาใช้เพราะไม่งั้นเราจะทุกข์ใจมากเลยเนี่ยโอ้ป oh, ระเทศนั้นก็แย่คนนั้นก็อดข้าวนี่ก็มีภัยพิบัติเราจะอยู่ยังไงเลยเนี่ยก็ต้องอุเบกขามาใช้แทนที่จะเอากรุณามาใช้เท่ากนะับว่าไม่ได้เป็นพรหมจริงเพราะว่าไม่สามารถจะมีจิตใจที่มีความสุขได้หากไม่รู้จักเบรกใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วถ้าเราเอามาใช้ในลักษณะการงานนตะ่มันก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ เราก็เ้องมาใช้ในระดับของจิตที่เรียกว่าเออเราทํางานที่ไม่ชอบแต่คุณก็ทําได้แล้วก็อุเบกขาไปแต่ทํางานที่ชอบแต่ก็ไม่รุ่มหลงโมงมเอาเพลิดเพลินก็เอาํารมะอีกอันหนึ่งมาใช้เพรางนั้นอุเบกขานี่ก็จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากทีเดียวในการที่จะรู้จักเบรกจิตของเราไม่ให้<ภ>มันไปอยู่ในแดนลบท่านคะอุเบกขาในพรมวิหารสี่กับอุเบกขาที่มาทีหลังอทุก ข, ขมสุขเหมือนกันไหยคะเหมือนกันเหมือนกัน หรือเป็นคุณธรรมที่อยู่ในพรหมิหารด้วยแล้วเหตุการเกิดเนี่ยที่มาในเรื่องของอัตุกรรมสุขที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็คือเราเอาตรงนั้นมาใช้งานมันก็เกิดขึ้นอุเบกขาก็เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาดิฉันเองก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนแรกยังเข้าใจว่าอัตุกขรมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยแปล ว, ว่าวางเฉยแล้วอืแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น นะอาทุกกมัสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้เราจะวางเฉยในนี้เราพูดแต่ข้อดีของอุเบกขาอย่างเดียวเลยน ะ, ะมีไม่ดีด้วยหรอคะมีนะคืออุเบกขานอกจากจะทําสิ่งเหล่านี้ได้แล้วข้อดีของมันอีกอย่างหนึง่งนะพระบุทรเจ้าเคยพูดถึงไว้ในเรื่องของพรมิหาเนี่ยเมตตากรุณาวิจาอุเบกขาเนี่ยถ้าบอกว่าเราทําให้มันสุดไปแล้วเนี่ยดี ย, ยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปต่อในเรื่องของโพธิชงได้ไปต่อในเรื่องของอรูปสัญญาสมาบัติคือสมาธิในขั้นอรูปได้ น, นี่คือข้อดีของมันจะจบที่ตรงนี้แ่่ข้อไม่ดีของเขาก็คือความที่เขาไม่เที่ยงความที่บางทีเราก็ไม่ได้ความที่บางทีเราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเกิดบ้างดับบ้างไอ้ความไม่เที่ยงของมันนี่แหละคือข้อเสียของเขาโอ่ะพอท่านสรุปอย่างนี้เวลาก็ใกล้จะหมดดิฉันมีคาถามต่อต้องต่อพรุ่งนี้เลยนะคะเรื่องนี้นะคะก็คงจะได้ความรู้กันไปมากทีเดียวดิฉันอาจจะสรุปไม่ได้มาก สำหรับเวลาที่เหลือก็นมัสการขอบพระคุณท่านเพบื่อุณไว้ในโอกาสนี้นะคะนมัสการค่ะค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะนั่นคือพระมหาเพรุณอภิปุโนจากวัตปารนหายโสอุดรธานีมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เลยทําให้ได้รู้เรื่องของการสวดมนต์ด้วยพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะที่จะเป็นความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขาที่เริ่นเกิดความสงสัยขึ้นมาอ่า หลังจากที่ท่านได้พูดประโยคสุดท้ายเรามาฟังด้วยกันในวันพรุ่งนี้เลยนะคะรายการสันสนีสฐทนาดำเดนินรายการโดยสันสนีหนนาคพง์ทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวร้อยพุทธวัดสวัสดีค่ะ